นั้นปฏิปทาที่อนุโลมต่อพระนิพพานก็อ น, นิจจังทุกขังอนัตตาแล้วอสุภะอสุภะ mm hmm. แต่เนื่องจากเนี่ย น, นะสมัยนี้ก็มาเหลือแต่คําว่าอ น, นิจจังทุกขังอนัตตาฟังแล้วก็น่ารําคาญเต็มทีเนี่ยนะเออจริงๆนะใครใครที่พูดโดยที่ไม่รู้ที่มาที่ไปไม่มีเบื้องหน้าเบื้องหลังนะเป็นคําพูดที่น่ารําคาญมากๆเหมือนกันนะของมายังรู้สึกรําคาญเลยใครไม่เป็นบ้าง คำว่าอนัตตาที่คุยกันเกินนะฟังแล้วรู้สึกเป็นยังไงโสมมนัตเลยเออเนี่ยนี่ยตามคําสอนเลยนะนี่ทําไมเราฟังแล้วรู้สึกรําคาญเนี่ยนมันไม่เที่ยงบางทีเนี่ยถ้าพูดผิดกาละเทศะเป็นต้นก็น่าก็น่ารําคาญเป็นต้นเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นการกล่าวธรรมะเนี่ยก็อย่างว่านะถ้าเป็นคําพูดก็ต้องพูดให้เหมาะแก่การเป็นต้น นะกาเลนะธรรมะสวัังกาเลนะธรรมสากัดช้าเป็นต้นเนี่ยเป็นกาลันยูบุคคลแต่ที่สําคัญเนี่ยคือที่กล่าวเนี่ยไม่ใช่ในแง่คําพูดแต่ในกล่าวว่าทําไมเนาะเราจึงคิดตามคําสอนได้น้อยจังเลยเนี่ยนะนะคิดไม่พอที่จะพ้นทุกเนี่ยนะนะหรือว่าทุก์ไม่เป็นของร้อนจริงสําหรับเราเนี่ยนะนะเราจึงคิดตามพระพุทธเจ้าได้น้อยจังก็ตรงๆก็คือ ทุกมันเย็นบ้างร้อนบ้างสำหรับเราทั้งหลายเพราะฉะนั้นถ้าอย่างนี้ก็ไปสาธยายณนะตมหาตุกสูตรเอาไว้เธอเนี่ยนะถึงชอบก็ยังเออไม่ใช่ของเธอนะอย่างนี้ก็ยังดีนะเมื่อวานดูรูปอสุภะเป็นต้นเนี่ยนะก็สาธยายณนะตุลมหาตุกสูตรเออดีจริงๆนะดูเนี่ยดูรูปผลพวงมาจากอาทิตย์ที่แล้วนี่แหละ โรคพวกโรคผิวหนังอะนะเออกายไม่ใช่ของเธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงละกายเสียกายที่เธอทั้งหลายละแล้วจะเป็นไปเพื่อประโยชน์และความสุขะนะไม่สุขได้ยังไงก็ดูกายแต่ละคนที่เราเปิดดูในภาพสิถ้าเราไปเป็นอย่างนั้นจะทุกข์ขนาดไหนเนี่ยนะแผลกินลึกเกือบถึงกระดูกเนี่ยนะมันจะใช่ของเธอไหมล่ ะ, ะนะถ้ามีแผลแบบนั้นจะเป็นยังไงเนี่ยนะ พันธามนึกลักษณะนี้เออมันไม่ใช่ของเราจริงๆถ้าเป็นของเรานะเราคงมีอำนาจใช่ไหมอย่ากายอย่าได้เป็นอย่างนี้เลยเพัน้าไม่มีกายเนี่ยจึงเป็นไปเพื่อประโยชน์และความสุขจริงๆนะนะแต่อย่าลืมว่านะไอ้ไม่มีกายอันนี้ก็พอทําเนาอะนะเพราะกายนี้เนี่ยมันเป็นผลของชาติอยู่แล้วใช่ไหมแต่ที่แน่ๆก็คืออย่าเสนอตัวในพบต่างๆเนี่ยตรงนั้นแหละที่สําคัญนะนะ อย่าเสนอหน้านะในพบทั้งหลายโดยเฉพาะนายอบายยพทํายังไงไม่เสนอตัวในอบายยพได้มันก่อนนี่ชอบคําชมผ้ารหันมากเลยพระ้าหันคือผู้ไม่เสนอตัวในพบเนีย่ยนะไม่แสดงตนในพบอีกอนิดนึงก็ใช่ผู้ไม่แสดงตนในพบของเราเนี่ยที่ไหนบัางที่เราไม่ปรากฏตัวพราะเราอยากไปปรากฏกันมากเลยนะโอ้ถ้าไม่มีเรานี่มันเดือดร้อนมากมากเลย มาเคยสังเกตดูคนอายุมาก ๆ, ๆแถวๆบ้านนะถ้าลองเขามีงานแต่งแล้วไม่เชิญซึ่งเขาในฐานะเป็นญาติผู้ใหญ่ไปสิเขาจะเดือดร้อนขนาดไหนเเขาเดือดร้อนมากเลยนะเอารถเข็นมาซุกเอาไปก็ยังมีนะนะขอให้ได้ไปเถอะงานอื่นไปไม่ได้แต่ว่างานแต่งลูกแต่งร้านเขาต้องเป็นฐานะผู้เส้นผียิ่งใหญ่สําหรับเขามากนะชอบแสดงตนตามที่ต่างๆก็ก็ลองงานอะไรนะถ้าถ้าพูดแบบทั่วๆไปเลยนะ ก็ลองเขาไม่พูดถึงเราเลยเนี่ยนะ mm hmm. ในในในงานทุกการทั้งหลายที่ที่เรียกว่าเราควรมีส่วนเกี่ยวข้องแล้วเขาไม่พูดถึงเราเลยเนี่ยนะเป็นยังไงโดยมากนะโทรมาันทไหมคุณเอราวันทำไมเขาไม่เรียกร้องหาเราเล ย, ยทำไมเขาไม่ชวนเราเลยทำไมเขาไม่บอกเราเลยอ่ยแต่ขอให้เป็นอย่า ง, ง, น, งานั้นเถอะเนี่ยนะ แต่จริงนะว่าสัตว์โดยมากเนี่ยเป็นอย่างนั้นจริงๆชอบที่เรียกว่าชอบเสนอตนใดที่ต่างๆไม่ชอบทําตนหลีกจากพบเลยก็คิดดูนะว่าใครไม่เป็นบ้างก็แล้วไปปฏิปทาเพื่อให้ถึงอสังขตะธาตุเนี่ยนะสัตว์ทั้งหลายเจริญไม่มากนักหรอกสติปทานเนี่ยที่เราเรียนผ่านมานี่กี่บพพาแล้วรู้ไหมทั้งหมดเลย ยี่สิบบับพระกึง่งยี่สิบบับพระกึง่งคือสติปัฏฐานทั้งหมดมียีิบอ็ดบับพระเนไหเรียนมาแล้วยี่สิบบับพระกึนะอันนี้ก็คือกึ่งสุดท้ายเกือบจะจบแล้วนะนะก็คิดดูว่าบริหารข้อไหนเป็นหลักในบรรดาแบบบับพระเป็นต้นที่ผ่านมาเนี่ยนะนะเอาเป็นเรื่องเป็นราวนันจริงเป็นจังตั้งกวันนั้นมาไม่เคยทอดทิ้งเลยเนี่ยนะนะก็อันนี้คือทําให้เห็นว่าออื ทางมากที่จะแทงตลอดอสังคตธรรมเพราะว่าปฏิปทาจเจริญนั่นนี่พิสูุทั้งหลายนิพานไม่เกิดมีอยู่ฉะนั้นถ้าวินยูชนผู้ไม่กระทำให้ประจักษ์ในพระนิพานนั้นใส่ก็ย่อมไม่มีความสงสัยหรือมีความเคลือบแคลงเพื่อจะบรรเทาความเคลือบแคลงของบุคคลเหล่านั้นผู้มีความรู้ในการแนะนาผู้อื่นหมายความว่าพระองค์เนี่ย แนะนำบุคคลที่จะตรัสรู้นะั้นมี3 1. อุคติตันยูสองวิปัญจิตันยูและนัยยะบุคคลพันพระองค์เนี่ยเพื่อจะชี้ชัดให้พวกนัยยะบุคคลเนี่ยฟังว่าถ้าวินยูชนเนี่ยนะคืออุคติตัญยูวิปัญจิตันยูนัยยะบุคคลเนี่ยไม่กระทำให้ประจักษ์ในพระนิพพานยังไงก็ต้องมีความสงสัยใช่ไห ละความสงสัยไม่ได้หรอกถ้าไม่แทงตลอดพระนิพพานแต่เพราะแทงตลอดพระนิพพานเพราะบรรลุพระนิพพานจึงบรรเทาความสงสัยการสลัดออกอันเป็นปฏิปักต่อกรรมและอารมณ์มีรูปเป็นต้นที่เวียนซ้ายคือที่มีสภาวะผิดตรงกันข้ามจากจากนั้นเนี่ยนะย่อมปรากฏโดยมุก ค, คือการถอนออกจากทุกข์หรือเพราะกหนดรู้ อันมีการพิจารณาที่เหมาะสมพระนิพพานอันเป็นปฏิบัติต่อสังคตาธรรมทั้งหมดซึ่งมีสภาวะธรรมเป็นเช่นนั้นคือมีสภาวะธรรมผิดตรงกันข้ามจากนั้นพึงเป็นเครื่องสลัดออกอ น, นะคือเป็นคนที่คิดตรงกันข้ามมากๆเลยนะเออคั้นผู้ที่ปฏิบัติเพื่อแทงตลอดพระนิพพานเนี่ยเป็นคนที่คิดตรงกันข้ามกับกับสัตว์ทุกประเภท ที่ที่ที่สัตว์ทั้งหลายปกตินะถามว่าคิดคิดตรงกันข้ามหมายคำว่าคิดตรงกันข้ามส่วนใดที่เขาคิดผิดเช่นเขาคิดว่าเที่ยงสุขอาตาผู้ที่จะปรารถนาพระนิพพานต้องคิดตรงกันข้ามหมดซึ่งความจริงมันก็ตรงกันข้ามอยู่แล้วถามว่าใครทําอะไรในโลกนี้ให้เที่ยงได้ไหมไม่ได้ทําให้สุขจริงๆได้ไหมไม่ได้ทําให้เป็นอาตาได้ไหมไม่ได้เพราะฉะนั้น แต่ว่าสัตว์ก็ยังหวังว่าเที่ยงสุกและอัตตาเพราะฉะนั้นก็ใครที่จะบรรลุพระนิพพานต้องคิดตรงกันข้ามกับปุถุชนทั่วๆไปเนี่ยนะมันเพราะว่าพระนิพพานนี้เป็นปฏิปักษ์ต่อสังคตาธรรมทั้งหมดซึ่งมีสภาวะธรรมเป็นเช่นนั้นคือมีสภาวะธรรมเนี่ยผิดตรงกันข้ามจากนั้นเป็นเครื่องสลัดออกเนี่ยตรงกันข้ามหมดเลยเนีย ตรงกันข้ า, ขามกับการพบตรงกันข้ามจากวัตถุกามตรงกันข้ามจากพบทั้งหลายก็ต้องมันมาฝึกมานึกมาคิดมาใคร่ครวญมาละลึกอย่างนี้บ่อยๆว่าตรงกันข้ามลองใครที่ทําปริญญาบ่อยๆเนี่ยนะลองฝึกคิดในตรงกันข้ามที่เราคิดบ่อยๆดูเถอะตรงกันข้ามกับจากขู่นะ ตรงกันข้ามกับโสตะตรงกันข้ามกับคานะตรงกันข้ามกับเฉียวหาตรงกันข้ามกับกายตรงกันข้ามกับใจเนี่ยเนีเพราะฉะนั้นเขาเขาเคยมีผู้ที่กล่าวว่าพระสมณะโคดมเนี่ยทำให้สัตว์ไม่ผดไม่เกิดเออเขามีคนมาด่าพระพุทธเจ้าอย่างนั้นเลยเนีพระสมณะโคดมเนี่สอนให้สัตว์ไม่ผดไม่เกิดบอกเออใช่แล้วอ่นะเพราะเราเนี่ยไม่เกิดในภพทั้งปวงนะไมเพราะเราเนี่ยพ้นจาก โลกแล้วใช่ไหมพระองค์เนี่ยไม่แสดงตนในภพไม่เกิดในภพเพราะฉะนั้นถือว่าการเกิดนี่มันเป็นทุกข์เนี่ยนะเพราะฉะนั้นการแสดงธรรมเหล่านี้เนี่ยสรุปว่าเพื่อออกจากภพเพื่อออกจากการจากการเกิดในขันเป็นต้นนั่นแหละทีนี้ถ้ากล่าวโดยสรุปเนี่ยนะเพื่อที่เราจะได้เข้าใจชัดเกี่ยวกับเรื่องสภาวะของนิพพาน ประมาธทีปณีอัตถกถาคุตการนิกายอุทานหน้า726่กล่าวว่าพึงทราบให้ยิ่งขึ้นไปอีกเล็กน้อยว่าวิปัสนาญาณก็ดีอนุโลมมายานก็ดีซึ่งมีสังคตะธรรมเป็นอารมณ์ก็ย่อมไม่อา จ, จะละกิเลสได้เด็ดขาดอันหนึ่งในญาณในปฐมฌานเป็นต้นซึ่งมีสมมติสัจจะเป็นอารมณ์ก็ย่อมละกิเลสได้ด้วยวิขพนะปะหารเท่านั้นหาได้ละกิเลสด้วย สมุทเชทปะหารไม่ดังนั้นอริยมรรคยานอันกระทำกิเลสเหล่านั้นอะ น, นะคือละกิเลสเหล่านั้นได้เด็ดขาดก็พึงเป็นอารมณ์มีสภาวะผิดตรงกันข้ามจากยานทั้งสองเพราะอะ น, นะวิปัสนาญาณเป็นต้นเนี่ยซึ่งเป็นมีสังคตะธรรมเป็นอารมณ์ฌานทั้งหลายมีสมมติสัจจะเป็นอารมณ์ไม่สามารถในการตัดกิเลสได้เด็ดขาดเพราะ อารมณ์ของอริยมรรคขยานอันนั้นคืออสังขตธาตุเนี่ยนะฮะสังขตาธาตุอันหนึ่งพระดำรัสที่สองถึงบทแห่งพระนิพพานซึ่งมีอยู่โดยประมัติที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าเป็นอัดอันไม่ผิดดังบาลีว่าพิสูนทั้งหลายพระนิพพานไม่เกิดไม่มีอันปัจจัยอะไระ ไ, รไม่ปรุงแต่งะนะไม่ปรุงไม่แต่งมีอยู่จริงอยู่คําที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ซึ่งเป็นอัดไม่ผิด ดังที่ตรัสว่าสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงสังขารทั้งปวงเป็นทุกขธรรมทั้งปวงเป็นอนัตตาอันหนึ่งนิพพานศัพเนี่ยนะเป็นปรมาถอารมณ์หรือหมายความว่าเป็นอารมณ์ที่เป็นปรมาส์เนี่ยนะตามสภาพที่เป็นจริงเป็นสิ่งที่มีอยู่จริงโดยปรมตส์นนะเ <unified> <jam> พิ่งทราบว่าอาสังขตาธาตุมีอยู่โดยปรมาส์ แม้โดยยุติเป็นต้นว่าเพราะพระนิพพานมีสภาวะพ้นจากสิ่งที่มีสภาวะตรงกันข้ามนอกนี้เหมือนปัตวีาธาตุหรือเหมือนเวทนาคือบางคนเนี่ยนะไปเข้าใจผิดถ้าศึกษาไม่ดีนะความสิ้นราคะความสิ้นโทสะความสิ้นโมหะใช่ไหมเป็นนิพพานเราเคยได้ยินอย่างนี้ใช่ไหมแค่ไม่มีราคะโทสะโมหะหรือคือนิพพาน ถ้าฟังไม่ดีมันเป็นอย่งงเขาบอกว่าความสิ้นราคะความสิ้นโทสะความสิ้นโมหะใช่ไหมคือนิพพานบอกใช่แค่ไม่มีราคะโทสะโมหะหรือคือนิพพานหมาตัวนี้มันนอนเนี่ยอนาคตมันก็คงได้ยินธรรมะอยู่บ้า ง, างนะไม่แน่นะเกิดมันจุติพบใหม่อาจจะไปดีก็ได้ก็นับว่าเป็นหมาผู้มีบุญในบรรดามหมาทั้งหลาย คือถ้าเป็นสมัยพุทธกาลนะถ้าเป็นแบบพระพุทธเจ้าผู้รู้อัธยาศัยของเวนัยศาสตว์นะว่าไปเล่นไปนะอย่างมันดูกะเทพประบุใช่ไหมมันดูกะก็คือกบอะเทพประบุกบเนี่ยแกเป็นกบอยู่ใช่ไหมฟังเสียงพระพุทธเจ้าเป็นเสียงธรรมคนเลี้ยงโคเนี่ยเอาไม้มาปักหัวตายจุติไปเกิดเป็นมันดูกะเทพบุตรลงมาฟังธรรมใหม่เป็นพระโสดาบันเฉย นะโอ้ไปทางลัดไปเร็วกว่าพวกที่พวกเราอีกเหมนกนหนนะทีนี้ย้อนมาอีกทีหนึ่งนะว่าเกี่ยวกับเรื่องอารมณ์อารมณ์ของอารมณ์ของอะไรวิปัสสนานงะอารมณ์ของวิปัสสนาและอนุโลมยานนะี่นะอะไรนะี อนุโลมยานมีอะไรเป็นอารมณ์มีสังขารธรรมหรือสังคตะธรรมเป็นอารมณ์แต่รู้สังคตะแบบอ น, นิจจังทุกขงังอนัตตาอันนี้คืออารมณ์ของวิปัสสนาญาณและอนุโยมอนุโลมมียาน ถ้าเป็นฌานทั้งหลายอนนรนถมปฐมฌานทุติยะฌานอ่นนปาปฐมฌานทุติยตะฌานตติยะฌานจะตุทชฌานมีบัญญัติเป็นอารมณ์อันนเช่นว่าถ้าเป็นเมตตามีอะไรเป็นอารมณ์ปิยมนาปสสัตเป็นอารมณ์ ถ้าเป็นการุณามีอะไรเป็นอารมณ์ทุกขิ ต, ตสัตเป็นอารมณ์ถ้าเป็นมู้ิตามีสุขขิจ ต, ตสัตเป็นอารมณ์ถ้าเป็นอุเบกขามีมัชชะสัตเป็นอารมณ์อันนี้ในหนึ่งอีกในหนึ่งก็คือกสินบัญญัติกรสินบัญญัติอาณาปานะบัญญัติอสุภาบัญญัติ เพว่นี้เป็นอารมณ์ของของอะไรของฌานทั่วๆไปเพราะฉะนันมีบัญญัติเป็นอารมณ์โวนอริยมรกมีนิพพานเป็นอารมณ์น่แหละอริยมร์นั้นมีนิพพานเป็นอารมณ์เมื่อกี้เนี่ยที่กล่าวว่า บางคนเนี่ยถ้าศึกษาไม่ดีบอกว่าความสิ้นราคะความสิ้นโทสะความสิ้นโมหะเป็นนิพพานเพราะฉะนั้นเมื่อใดที่ไม่มีราคะโทสะโมหะขณะนั้นเขาเรียกว่านิพพานนิพพานตามความเข้าใจของเขาเพราะฉะนั้นถ้าผู้เรียนอภิธรรมมาดีก็ถามว่าจักครูวิญญาณมีราคะโทสะโมหะไหมมีไหมไม่มีเป็นนิพพานไหมไม่เป็น ขณะหลับสนิทเลยนะเป็นภวังทั้งหลายมีราคาโทสะโมหะไหมไม่มีเพราะฉะนั้นอไม่ใช่สักว่าไม่มีราคาโทสะโมหะเป็นนิพพาน reet, เนี่ยนะาแล้ว น, นิพพานมันเป็นยังไงอ่ะก็คือเมื่อใดบุคคลเห็นสังคตะโดยอนิจจังเนี่ยนะจิตก็น้อมไปสู่นิพพานเมื่อใดเห็นสังคตะโดยความเป็นทุกขงจิตก็น้อมไปสู่ น, นิพานเมื่อได้เห็นอนตัตตเห็นสังกตะธรรมโดยเนี่ยก็จะมีก็จะแทงตลอดพระนิพานมันท่านิพานเนี่ยเมื่อแทงตลอดอนะนะถ้าถ้าเทียบหน่อยห น, นึ่งเมื่อแทงตลอดอานิจจังบรรลุนิพานอาน้สิ้นโทสะเมื่อแทงตลอดทุกครั้งแล้วบรรลุนิพานสิ้นราคะ เมื่อบรรลุนิพพ์ อ, อนัตตาแล้วแทงตลอดนิพพานชื่อว่าสิ้นโมหะเพราะฉะนั้นเมื่อบรรลุนิพพานเนี่ยจึงชื่อว่าสิ้นราคะสิ้นโทสะและสิ้นโมหะถ้ายังไม่แทงตลอดสภาวะของนิพพานไม่ใช่ความสิ้นราคะโทสะโมหะอย่างอย่างแท้จริงอะไรเพราะฉะนั้นถ้าไม่สิ้นราคะโทสะโมหะอย่างแท้จริงก็ไม่ชื่อว่า นิพพานเพราะนิพพานนั้นเป็นความสิ้นราคะโทสะและโมหะเมื่อแทงตลอดนิพพานแล้วจึงสิ้นราคะสิ้นโทสะและสิ้นโมหะถ้าไม่บรรลุ ก, ก็ไม่ไม่มีทางสิ้นราคะโทสะโมหะหรอกอนะนันก็สรุปนะแยกแยะอารมณ์ของวิปัสสนาวิปัสสนาทั้งหลายเมื่อมีสังขารเป็นอารมณ์จึงเป็นตทางค่าประหารละกิเลสได้ชั่วคราว ทงเนี่ยนะถ้าเป็นฌานทั้งหลายมีบัญญัติเป็นอารมณ์ก็เป็นวิขำพนะประหารอาริยมรตมีนิพพานเป็นอารมณ์จึงเป็นสมุดเฉทะประหารการละกิเลสได้เด็ดขาดต่อเมื่อมีพระนิพพานเป็นอารมณ์นะถ้าไม่บรรลุนิพพานอา่าไม่บรรลุนิพพานและจักละกิเลสได้อย่างไร เห็นอย่างในยุคนี้เขาอธิบายเป็นว่าไปว่ามากลายเป็นว่าจากขู่วิญญาณเป็นต้นเป็นนิพพานทําจิตให้เฉยๆนั่นแหละคือนิพพานนะฮะถ้าศึกษาไม่ดีศึกษาไม่เข้าใจก็น่าคิดนะในโลกนี้มันพร้อมที่จะเองไปเป็นทิฏฐิอันใดอันหนึ่งก็ได้ถ้าไม่ศึกษาบางคนก็ถือว่าแม้กําหนดรูป น, นามรูปนี่ น, นหน่อยหน่อยก็ชื่อว่านั่นแหละคือ นิพพานหน่อยๆอย่างนั้นนิพพานนิดๆนะเออมีแบ่งเป็นนิพพานนิดนิพพานหน่อยนิพพานใหญ่นิพพานโตนิพพานเล็กเนี่ยเป็นงั้นไปได้นะก็ว่ากันไปเรื่อยก็น่าคิดนะว่าพระพุทธเจ้าบำเพ็ญบารมีสี่อสงไขยแสนกลับมาใครอยากจะมาที่บายก็ที่บายตามใจนึกเนี่ยนะก็น่ากรุณามากๆเลยนะ นี่ทำไมเป็นอย่างนั้นไปได้นะก็อย่างว่ามีบางกลุ่มเนี่ยโอ้ยรู้ธรรมะงูปลาปลาก็ออกมาเป้าเป้าเป้ า, ป า, ป า, ปากันแทบไม่ได้ศึกษาอะไรสักเท่าไหร่พระไตรปิฎกก็แทบไม่เคยอ่านเลย<ม>สันตกพระไตรปิฎกเป็นยังไงแต่อธิบายนีพอธิบายคําสอนของพระพุทธเจ้าเป็นเรื่องหมายคว่านั่นหมายว่าดูถูกพระพุทธเจ้ามากมมเพราะองบำเพ็ญบารมีมาเสียสงไขยแสนกลับไอ้เจ้านี้ขึ้นมาใช้วิชา ก, กะอย่างเดียวนั่นไง แต่ก็ให้เรียกว่าอะไรนะไม่มีโศกนาฏกรรมไหนเท่ากับยุคนี้อีกแล้วถ้าใครจะเศร้าโศกในโศกเรื่องนี้ควรโศกอย่างแท้จริงว่ามันเป็นเช่นนี้แล้วเนาะใช่ไหมใครก็ต้องยินเมื่อกี้ที่พระอาจารย์อธิบายว่า ที่อธิบายว่าสิ้นราคะสิ้นโทสะสิ้นโมหานี่บางคนเขาอธิบายว่านี่คือนิพพานแต่ที่พระอาจารย์อธิบายเมื่อกี้คืออย่างเช่นจักขุวิญญาณหรือขณะที่ผวังขจิตหลับเนี่ยมันก็ไม่มีราคะโทสะโมหะอย่างเช่นการเจริญชาหรือการาเจริญกสินทั้งหลายหรือว่าการเจริญวิปัสนาอยู่ขนาดนั้นมันก็ไม่มีราคะโทสะโมหะเหมือนกันอันนี้คืออธิบายได้ด้วยเสริมด้วยได้หรือเปล่า อ <c oughs> เข้าใจแล้วคือเมื่อเกณฑเนี่ยอธิบายว่าคือฟังให้ดีๆนะคือบางพวกเข้าใจว่าความสิ้นราคะความสิ้นโทสะความสิ้นโมหะคือนิพพานถ้าอย่างนั้นนิพพานของคุณนะจากครูวิญญาณมันไม่มีราคะมันก็เป็นนิพพานใช่ไหมใช่ไหมไม่ใช่ โสตวิญญาณมันไม่มีราคะโทสะโมหะเลยมันเป็นนิพพานไหมไม่เป็นรูปทั้งหมดมีราคะโทสะโมหะไหมไม่มีงั้นก็เป็นนิพพานสิงั้นขณะที่คุณหลับสนิทผวังกจิตเกิดนะเป็นนิพพานใช่ไหมไม่ใช่ขณะที่มหากุศลเกิดนะไม่มีกิเลสเจืออยู่เลยงั้นก็เป็นนิพพานสิถ้าฟังไม่ดีก็เหมือนกับว่าแค่ไม่มีราคะโทสะและโมหะเป็นนิพพานนิพพานไม่ได้มีอยู่จริงอะไรหรอก เพียงแค่ไม่มีราคาโทสะโมหะอันนี้นี่คือเรื่องที่พูดไปเมื่อกี้เพราะฉะนั้นจึงแม้กระทรั่งฌานสมถะอธิบายเป็นนิพพานไม่ได้ไม่ได้ไไดเผลอแป๊บเดียวไม่ได้เหมือนเนกาะกี่เม็ดลึกที่สุดะ ไม่พูดที่หมายถึงอะไรล้วครับประทังสันวิโรดีของปนานิโรดที่ไม่จัดเป็นสมุขเฉดที่รอดคืออันนั้นโดยสับดับโดยสับที่ไม่ได้หมายถึงนิพพานนิวานะความสิ้นตันหาความออกจากตันหาอย่างแท้จริงอ่ะนะซึ่งถ้าพูดอีกในหนึ่งนะคำบางคําเนี่ยที่ที่ไม่มีที่มาที่ไปนะเอมาบอกว่าอย่าไปคิดตามอยากจะเตือนเท่านี้แหละ คำใดก็ตามที่ไม่มีที่มาที่ไปไม่เคยพบไม่เคยเห็นในคมภีที่เชื่อถือได้มาตรฐานนะคิดตามและเปอร์เซ็นต์ผิดเก้าสบเกเซวิสัยยิ่งใครกะมาด้วยยิ่งเปอร์เซนต์ผิดสูงเท่านั้นเพราะเหมือนอย่างว่าให้คนตาบอดเนี่ยนะชี้ทิศที่เขาเกิดมาไม่เคยรู้ทิศสักทิศเลยนะแล้วให้เขาชี้ทิชี้ทิศที่ไม่ตายด้วยนะเอา อริยศัสตร์ก็ไม่เข้าใจสักอย่างและชี้อมตะนิพานมันเป็นไปไม่ได้หรอกเพราะฉะนั้นคำทั่วๆไปอยากจะแนะนำว่าถ้าไม่มีที่ไปไม่มีหลักฐานที่เชื่อถือได้จริงๆนะก็อย่าไปเอามาคิดเลยมันเปลืองความคิดเนี่ยนะเสียดายพลังงานหลายกิโลแคลอรีเอาไว้ไปคิดอย่างอื่นเถอะเอาไว้ทำครัวก็ได้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 ก็สมัยนั้นแหลพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงชี้แจงให้พิสูจนทั้งหลายเห็นแจ้งอาจฐารสมาทาน ร, าร่าเริงด้วยธรรมมีกระทาพิสูจนเหล่านั้นก็เงียบโสดลงฟังธรรมนี่นะไม่คิดเรื่องอื่นเลยนะใสใจเงียดประมวลจิตทั้งทั้งหมดมาฟังธรรมนะ่ะลำดับนั้นแหลพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบเนื้อความนี้แล้วทรงแต่งอุทานในเวลานั้นว่าความหวั่นไหวย่อมไม่มีแก่บุคคลผู้อันตันหาและทิฏฐิอาศัย ย่อมไม่มีแก่ผู้อันตันหาและทิฏฐิอาศัยอ่าไม่อาศัยย่อมไม่มีแก่ผู้อันตันหาและทิฏฐิไม่อาศัยเมื่อความหวั่นไหวไม่มีก็ย่อมมีปัสสัทธิเมื่อมีปัสสัทธิก็ย่อมไม่มีความยินดีเมื่อไม่มีความยินดีก็ย่อมไม่มีการมาการไปเมื่อไม่มีการมาการไปก็ไม่มีจุติและอุบัติเมื่อไม่มีจุติและอุบัติ โลกนี้โลกหน้าก็ไม่มีระวังโลกทั้งสองก็ไม่มีนี่เลยเป็นที่สุดแห่งทุกเนะนี่ยนะก็ในเนื้อหาอธิบายว่าหลังจากที่พระผู้มีพระภาคแสดงนิพพานเนี่ยนะพระภิกษุบางท่านได้มีความคิดว่าพระผู้มีพระภาคเจ้านี่เมื่อแสดงอนิสงส์ซึ่งมีขัน มีอาการเป็นอเนกแสดงอมตะนิพพานธาตุจึงประกาศอมตะจึงประกาศอนุภาพอันไม่ทั่วไปแก่ผู้อื่นหมายว่าพระองค์เนี่ยแบ่งทุกขสัตว์กับสมุทรกับนิโรสัตใช่ั้ยให้เห็นโทษของทุกขสัตว์สมุทัยสัตว์แล้วประกาศถึงคุณานิสงของนิโรสัตคือนิพพานแต่ไม่ตรัดอุบายเครื่องบรรลุอมตะนิพพานนั้นแก่พวกเรา เมื่อปฏิบัติอยู่จะเพ่งบรรลุอมตะนิพานนี่อย่างไรเนาะทำยังไงจึงจะ บ, บรรลุนิพานเพราะว่าพูดถึงนิพภะพูดถึงวัตฏะใช่ไหมว่ามันมีโทษมากเหลือเกินสังขารทั้งหลายมันเป็นทุกข์เช่นนั้นเช่นนั้นมันไม่ดีอย่างงั้นยางงั้นนิพานนี่ก็ดีเลือกเกินทาไมไม่บอกข้อปฏิบัติให้บรรลุนิพานเนานเกิดสงสัยขึ้นมาของเรารู้แล้วใช่ไหมว่าข้อปฏิบัติเพื่อ น, นิพานคืออะไรแย้มพลายบ้างแล้วนะ้ะ